بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ห والسلام على ا ร ر คุณจากพระ و จ้ ل ผู้ทร ن เ ي ن น ا ู้ทร و รู้ท ل กสิ่งทุ م อย่างแล بالله ربا و ได้ร س ل م ا, أ م د ي ن ณ و ากพระเจ้าผ رب إشرح لي صدري ويسر أملي وحُلُ أبدًا من لساني يقهو كأولي اللهم إننا نسألك عيننا ف ع أن ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلا يا رب العالمين اللهم فكه في الدين وعلمه تأوين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอสซุบฮานหัวตาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอ่านทุกทกท่านนะครับวันนี้เราจะเริ่มอ่านในอายะที่ส9เกในสุรออัลอารอฟสุระที่เจนะ็ดสุรอที่เจ็ดนะครับยุสที่แปดนะ وَيَا Wahyā Adamus kun kun anta wazau jukal jannah ayat yang 19. Ah, dah. Bermula dari Fatihah. Ah, awu Zubilahimi na syaitan al rajim. ب ิ سم الله الرحمن الرحيم alhamdulillahirobbil alamin al-Rahmanir-Rahim มัลกิยูมิดดินอิยัคนะบุดุแะอิยัคนะสตางินอิฮดีนะศรัทธาลุตสติม สิรัَ الذين أنعمت عليهم ไ و ب ผ ل ดที่พวกเขา ل ละผู้ท ل ่ไ ل ้รับ ي า م อภัย أ า عوذ بالله من الشيطان الرجيم وياه أدا مسكن أنت وزوجك الجنة ّ <ت ص في ق> ُلْ أَنْفَ กูน و งَอาเَากันยัَมาฟัก مِنْ حيث ُ شِئْتُمَا وَلَا ชิดตَวมَว ذ ِ ه ِ ا ل ش َّ ج َ ر َ ة ษ ف َ ق ُ ل َกِูลม حيث ชิดตัวมาَลาตَแควِบะฮะดิษัَรอ َ لا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من ฟَวส س ْ و َลَ ل ห ه ُ م า ا ม ش ชّ ي ْ ط َนุล ل ย ي ُดْ د ล ي َหَ ه ُาَม م َาวูริยาอันห์เขาแม่มิซูอัติหَม้าฟาวส์วาสล่าห์َขาหมาชิฏท่านุลีย์บดِ ي ล่าห์เขาแม่มา و ่ากอลแมนาَ์คูมาร ر َคูมาณแห่แห่ ه َช ذ ِ ه ِ الشَّجَرَ ชชชชชชชช م َชชชชชชชชชชชَชชชชชชชชชชชชชชชชชช จะต้องเปตะกูนามินัอลิดีลตรร ว่าก็สามารถอินน <disappear> ีละกูมาเลมินนาซีฮินว่าก็สามารถอ่นนี่ละกูมาเลมินนาซีฮินอ่ะมาดูความหมายนะครับ อายะที่สิบเก้านะอายะที่สิบเก้าอาิมุสาลามที่เชิญจ้ะหลังจากที่อัลลอฮ์ได้สร้างนบีอาดัมนะครับแล้วก็พนังคาวาด้วยนะแต่ตอนที่อัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมเนี่ยก็คือสร้างนบีอาดัมคนแรกก่อนในะหลังจากนั้นช่วงที่นบีอาดัมหลับก็ นะสร้างพนางขาวะมาเป็นคู่ครองจากกระดูกสิคโคงซึ่งลักษณะของสตรีก็จะมีลักษณะที่โคง้งนั่นหมายความว่าอารมณ์ของนางก็จะปรับเปลี่ยนโดยง่ายเพราะมันไม่ตรงมันโคง้งกระดูกสิคโคงเนี่ยมันโคง้งนะแต่ไม่ได้หมายความว่ากระดูกของนบีอาดัมไม่ครบนะอะยังอยู่ครบเหมือนเดิมนั่นแหละนะกระดูกเราก็อยู่ครบเหมือนเดิมนะ แต่ส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นตบิอัตเป็นธรรมชาติของของผู้หญิงอยู่แล้วที่จะดัดให้ตรงมันก็จะมันก็จะหักถ้าปล่อยให้โค้งกลนไปมันก็จะโค้งงอก็ต้องมีการเตือนกันบอกกันเสร็จแล้วเนี่ยก็มาถึงตอนที่อัลลอฮ์ได้ตรัสกับ น, นบีอาดัมว่ายาอาลเดมุสกุลอันตะวาซาจุกัลจันนะโอ้ และไม่ใช่นะและพระองค์ได้ตัดว่าโอ้อาดัมยาก็หมายถึงโอเรียกนะเรียกนบีอาดัมเอ๋ยทั้งเจ้าและซาอจุกาแปลว่าอะไรแปลว่าภรรยาหรือคู่ครองอ่าแสดงว่าอัลลอฮ์นี่สร้างพระนางฮาวะนี่เป็นคู่ครองเป็นคู่ชีวิตของนบีอาดัมให้อยู่ที่ไหน ให้อยู่ที่สวรรค์สถานที่แรกที่มนุษย์ได้ไดอาศัยอยู่คือสวรรค์เลยนะจันนะก็คือสวนสวรรค์อยู่ในสวนฟะกูลลมินไฮสูชิตูมาแล้วก็อัลลอฮ์บอกต่อว่าจงบริโภคนะที่ใดก็ตามตามที่เจ้าปรารถนาจะกินอะไรจะทานอะไรก็ตามสะดวกเลย เวลาตะกรบาฮาดิฮิชจารอและเจ้าทั้งสองอย่าได้เข้าอ่าอย่าได้เข้าใกล้ต้นไม้นี้นะไม่ให้เข้าใกล้น่ะคาว่าไม่ให้เข้าใกล้ก็คือไม่ให้กินด้วยนั่นแหละเข้าใจไหมเหมือนกับอย่าเข้าใกล้จินา่าแปลว่าอะไรก็ห้ามทําจิน่านั่นแหละ<ม>เพราะเวลาที่เข้าไปใกล้แล้วมันโอกาสจะพลาดมันมีสูงนั้นดีที่สุดก็คือ อย่าไปเดินเฉียดเลยไปเหงาห่างๆนี่อันนี้คือเป็นยิ่งกว่ายิ่งกว่าห้ามทำเอกนะอย่าเข้าใกล้นี่คือพวกถึงอันตรายเลยนะครับและก็บอกต่อว่าถ้าไปใกล้มันหรือไปทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยเจ้าก็จะกลายเป็นผู้ที่อาธรรมจอริมจอเลมก็คืออาธรรมทำบาบนั่นเองทำผิดแต่ต้นอื่นกินได้ปกติยกเว้นต้นไม้ต้นนี้ พอมีคำสั่งตรงนี้แล้วเนี่ยก็เป็นเปิดโอกาสให้เชยตอนเนี่ยมันมันหลอกลวงแต่เวลาคนที่เป็นคนดีเนี่ยจะใช้หลอกแบบโดยตรงให้ทำผิดโดยตรงเนี่ยไม่ได้หรอกพราะเขารู้แต่ต้องใช้วิธีกา ร, ร<อ>การหลอกลวงโดยการเอาความดีเนี่ยมามันเคยมีเรื่องที่เกิดขึ้นนะ ที่เขียนบันทึกเอาไว้ใช้ตอนมันมาหลอกคนดีมันมันมันทำอิบอามันดีมากเลยจนกระทั่งไอ้คนดีคนเนี้ต้องถามว่าเฮ้ยทำไมทาความดีเก่งเหลือเกินเขาบอกว่าอ๋อต้องทําความชั่วก่อนถึงจะทําความดีแบบนี้ได้นั่นแหละมันหลอกให้ไปทําความชั่วจนได้ก็อยากจะทําความดีไงเยอะๆก็เลยต้องไปทําความชั่วก่อนอันนี้คล้ายๆอันเดียวกันเลยมันก็มาหลอกนบีอาดัมสูตรนี้แหละสูตรหลอกคนดีเฟอวัสวัซะ มันกระซิบกระซาบทั้งสองอ่าบางรายงานที่เขียนเอาไว้ก่อน น, ะนั่นในซูลบากรอดเนี่ยบอกว่ามันผ่านงูมานะและ้วก็อ่ามีงูคือมันะถูกออกไปหลงจากสวรรค์ไปแล้วแต่ ม, มันผ่านผ่านงูมา <S S มและก็มาหลอกลวงมันกระซิบกระซาบทั้งสองเพื่อให้ทั้งสองเนี่ยเปิดสิ่งที่ถูกปิดบังแก่ทั้งสอง คืออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตายอะไรเนี่ยบังเกิดมนุษย์มาในสภาพที่ตัวเปล่าเลย mm hmm. ก็เหมือนเราคอดคอลูกเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าติดมานบีอาดามก็เกิดมาก็ไม่ได้มีเสื้อผ้าอะไรแต่อัลลอฮ์ให้มีบางอย่างเนี่ยปิดไม่ให้เห็นสิ่งที่น่ารังเกียจ mm hmm. อวียวพึงไม่อะไรพึงสงวนเออเขาเรียกอวียวพึงสงวนมองไม่เห็นของตัวเองมองไม่เห็นมีบางอย่างมีบัตสมีบางอย่างมาปิดเอาไว้ ตอนนั้นนะที่อยู่ในสวนสวรรค์นะนะถามว่ามีของอายุพึงสงวนไหมมีสิไม่มีได้ไงแต่มองไม่เห็นโดยที่ไม่ได้ใช้เสื้อผ้ามีบางอย่างมาทําให้มองไม่เห็ น, ออนนะว่าอะไรใช่ไหมในนี้เขียนเอาไว้ว่ามีเอารถทําให้สายตานะมองไม่เห็นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอไปกินเราจะเห็นเลยมันเปิดเลยพอเปิดเสร็จก็ต้องเอาเอาเอาติ้งมงจิ่งมาเดี๋ยวจะมีเล่าเนี่ยในนี้เหล้าหมดเลย เอาใบไม้วิ่งหนีไม่ใช่เราวิ่งหนีอ่ะหรอไอ้จังหวะวิ่งหนีก็หยิบกินมองกิงไม้ปิดไปด้วยเพออายแล้วเพราะตอนนี้เห็นไอ้ของตัวเองแล้ว<อ> ค, ค, คือของตรงเนี้ยมันอยู่กับเราก็จริงนะแต่มันก็ไม่ใช่เราจะไปมองมันเล่นนะมันก็เหมือนมันเป็นพึงสงวนนะ<ถ>นี่ของเราเองเนี่ยนะเอเอมองหน้าดีกว่ามองด้านตากันดีกว่าเสียก็ชื่อของมันเนี่ยตรงเลยเอวัยวะพึงสงวน<ถ>อืมเป๊ะเลยครับแปลดีมาก มันต้องการทําให้ไอ้สิ่งที่กําบังเนี่ยหายไปโดยการที่หลอกให้นบีอาดามไปกินผลไม้ต้นไม้แต่ไม่ใช่แอปเปิลนะในนั้นเขียนเขียนไปเป็นแอปเปิลแต่ไม่ใช่แอปเปิลเป็นในรายงานไม่ได้บอกว่าต้นอะไรด้วยแต่มีบางคนก็บอกเป็นต้นนู้นต้นนี้เป็นผลไม้เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งแล้วกันไม่ได้บอกแต่ของคริสเนี่ยเขาบอกเลยเป็นแอปเปิลนะเอาต่อมาอันได้แก่ สิ่งอันพึงละอายแก่เขาทั้งสองก็เนี่แหละเอาล่อพึงสังวรเนี่ยและมันก็ได้กล่าวว่าเจ้าทั้งสองเนี่ยมิได้ขอโทษที่พระเจ้าก็คือเอาล่อเนี่ยไม่ได้ห้ามทั้งสองเนี่ยเพื่ออื่นใดเลยแต่ที่เหตุที่อัลลอฮ์ห้ามสิ่งนี้เนี่ยเพราะกลัวว่าเจ้าเนี่ยจะกลายเป็นมา ล, ลิกาแมลไกถ้ากินทั้งคู่ปับ๊บทั้งคู่ก็จะไม่ได้เป็นคนแล้วจะกลายสภาพเป็นมาละิกา พอเป็นมาเลก้านี่เกิดอะไรขึ้นไม่มีชาววัดแล้วพอเป็นมาเลก้าก็ไม่ต้องต้องการอะไรแล้วก็คือทําแต่ความดีอย่างเดียวเลยเพราะมาเลก้าเนี่ไม่มีความต้องการคือไม่แปลกนะที่มาเลก้าไม่ทําบาปเพราะไม่มีความต้องการก็เลยไม่ทําบาปอยู่แล้วไม่มีเพศชายไม่มีเพศหญิงไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มไม่ต้องคิดเรื่องสตังมนุษย์เราเนี่คิดเรื่องสตังก็เลยทําบาปได้เพราะว่าอยากจะได้ตังก็หามาวิธีต่างๆนะเลาสร้างมาเลก้ามาในสภาพที่บริสุทธิ์ เราทราบกันดีไม่มีบาปปฏิบัติตามอัลลอ์ทุกอย่างไม่มีการฟืฟ้นและดื้อดึงต่ออัลลอฮ์ถามว่านาบีอาดัมเนี่ยคิดดีไหมอยากจะเป็นมารีกะคิดดีอยากทำดีต่ออัลลอฮ์ต่อมายังบอกต่อว่าและหรือไม่ก็กลายเป็นผู้ที่ไม่ต้องตายอยีกแล้วค อ, อาใช้ว่าคอลีดีนแปลว่ามีชีวิตยืนยาวไปตลอดเลยไอ้ที่มีชีวิตยืนยาวของนบีอาดัมเนี่ยเงียดคืออะไร เนียก็คือต้องการทําอามัณอิบาร์ดาเยอะๆคนเนี่ยมีสองแบบนะอยากจะอายุยืนสองแบบหนึ่งอยากอายุยืนเพื่อทําชั่วเยอะ ๆ, ๆมีบางคนไม่อยากตายอยากจะทําชั่วยังสนุกกับความชั่วอยู่<ม>อันที่สองอยากจะอายุยืนอีกแบบหนึ่งคืออายุยืนแบบอยากจะทําดีไปเรอยอะ ๆ, ๆ, ๆรู้สึกว่าความดีของเราเนี่ยกลัวว่ามันจะไม่พอก็เลยทําดีให้เยอะๆอายุยืนเพื่อจะทําดีเยอะ นบีอาดัมอยู่ในหมวดที่อายุยืนและทำดีเยอะๆอ่านี่เนี่ยดีนะอ่าอย่ารีบตายทำไงทำความดีเยอะๆก่อนต่อมาวิธีที่จะทำให้คนเชื่อใจแบบสนิทอีกทำยังไงต่อสาบานสิสาบานเลยใครสาบานเนี่ยอิอบลี ส, สี่เลย มันก็สาบานเลยบอกว่าวาก็ซามาหูมามันสาบานต่อทั้งสองเลยสาบานต่อทั้งสองเลยว่าไอ้ที่มันพูดนี้เนี่ยมันหวังดีมันเป็นคำแนะนำที่ดีแก่เจ้าทั้งสองเห็นยังตอนแรกก็ยังห้าสิบห้าสิบจริงไม่จริงวพะพอสาบานเท่านั้นแหละเชื่อหมดใจเลยอ่านี่คือสูตรวิธีของมันในการห<อ>ลอกนบีอาดัมซึ่งนบีอาดัมก็ไม่ได้คิดไม่ดีอะไรเลยในการที่จะฝ่าฝืน แต่คำสั่งคือห้ามไงจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือเอาล้อห้ามเอาไว้อ่ะอ่านต่อนะเรื่องนี้ถูกเราเคยเรียนแล้วในสุรบักรรแต่นี่คือครั้งแรกที่ถูกประทานลงมาเรื่องนบีอาดัมนะตอนสุรบักรรนี่มาทีหลังประทานลงมาทีหลังแต่พอมาเรียงในกุฎานอยู่ก่อน เราก็เลยเรียนก่อนเอีกอันหนึ่งที่มันใช้อีกอันนึงเป็นข้อมูลดีสาเหตุที่มันบอกว่ามันสาบานต่อลอว่ามันรู้ดีกว่าอาดัมพ่ อ, อะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเกิดมาก่อนนบีอาดัมเจ้าเนี่ยเพิ่งเกิดมาถ้าพูด ง, ง่ายๆเพิ่งเกิดมาเมื่อวันซื้อ น, นี่เองสมมติเน จะไปรู้ดีกับคนที่เกิดมาก่อนได้งไงเอออันนี้ก็มีเหตุผลนะคนเกิดมาก่อนก็อาจจะรู้เยอะกว่าอ่าอันนี้ก็คือวิธีการหลอกอีกอันหนึ่งสาบานว่ามันมรู้ดีเพราะอะไพาะมันเกิดมาก่อนนะบีอาดามมันเลยมาแนะนําำของที่ดีให้เอาต่อมานะเดี๋ยวอ่านต่ออายะที่ยี่สิบอและยี่สบสาม ฟดั ا เลห์มาบ ر ก ر َ ل َ م แล ا มَดักอัชชาจาระฟดัลเลห์มาบ ا ذ รุร ل ฟแลَมาَักอَชَาจ م َะฟแลมมาดักอัชชาจาระตบดัต แลหูแม้สาวแอตุหูแม่ฟังแม่ก็เสียงรักเดิมเด็ดแลหูแม้สาวแอตูม่ วัดาฟิกาจ ن ซิَาَิอัลัยหิมามิววาร ا กْ ج َันّ ة ِ <ت ص في ق> วนาดะหูมะรับบูหูมะแอลَอันฮะกูมะติลกูมะชัชจาระวนาดะหูมะรับบูหَมะอลอันฮกูมะตลกูมชจาระ ว่ากุลละคุมาอินน์อัลชาอิตานะละคุมาอัลโดَมُบَน แลรับบันแล้วโยลำน่ะฟูเซน่ะว่าอิลลัมตอฟิร์ลาน่ะ و อิลล ت มทําฟร์ لنا وترحمنا لنا كونا من الخاسرين و อิลลัมทํฟร์ لنا وترحمنا لنا كونا من الخاسرين فدلا دلا แปลว่า ชี้แนะนะหรือทําให้ก็ได้มันก็ได้ทําให้ไอ้คาชี้แนะของมันเนี่ยปรากฏว่าเป็นผลไหมเป็นผลเลยหลอกได้สําเร็จและเป้าหมายของมันก็คือต้องการที่จะให้สิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยทรงปกปิดเอาไว้เนี่ยเปิดเผยก็คืออวิวัตอันพึงสังวร น, นะแล้วมันก็ทําให้เจ้าทั้งสองตกอยู่ในสภาพที่มันต้องการล้ว ด้วยกับอะไรบิลกูรูดบินกุรูดแปลว่าอะไรด้วยกับการหลอกลวงด้วยการหลอกลวงนะโกหกการหลอกนี่มันก็คือการโกหกนะ่ะโกหกด้วยหลอกด้วยถ้าถ้าพูดความจริงก็ไม่เด็กไม่ได้หลอกสิอันนี้มันหลอกนะครั้งเมื่อทั้งสองได้ฟลาเมาจาก็จาก็นี่หมายถึงซิกหมายถึงลิมรถ เมื่อได้ริมรดชาญระ้อนะเมื่อได้ริมรดต้นไม้นั้นแล้วนะนผละไม้น่ะ น, นะกินต้นไม้ก็มีผลไม้นะนี้เขาเขาต้นไ ม, นะนนไม้ริมรถผลไม้จากต้นไม้นั้นแล้วสิ่งอันพึงละอายของเขาทั้งสองก็ประจักรแกเขาเลยอนะ่วงไปเลยเปิดเผยให้เห็นเลยเผยให้เห็นเลยคือมันมีบางบางอย่างมาบังอยูเย่เดี๋ยว๋เดี๋ยวเล่าให้ฟัง อะแปลตอนนี้ตรงบาดาลหุ่มะสาวะตุหูมาวอลอฟิคอย์ซิฟานีอารีฮีมามิววรอกิลจันนะเขาทั้งสองก็เริ่มปกปิดส่วนที่ละอายด้วยกับใบไม้แห่งสวงสวรรค์เอาใบไม้มาปิดวรอกวอรอก็นี่หมายถึงต้นไม้อใบไม้่าโทษทีใบไม้ แปลว่ากระดาษก็ไระดาษก็หมายถึงเอามาทําจากเอาใบไม้มาทําต้นไม้มาท ำ, ตาทำแต่นี้แปลว่าใบไม้และพระผู้อวิบาลของเขาทั้งสองจึงเรียกเฟนาดาฮูมาอัลลอฮ์เรียกทั้งสองรับบูฮูมาอาลัมอันฮะกูมาอันติลกุมาชจาโรอัลลอฮ์ก็เรียกทั้งสอง โดยกล่าวว่าข้าไม่ได้ห้ามเจ้าทั้งสองเกี่ยวกับต้นไม้นี้ดอกหรือไม่ให้เข้าใกล้ซึ่งบอกไปแล้วอลัลลอฮ์ห้ามข้าไม่ได้กล่าวเกี่ยทั้งสอ ง, องดอกหรือว่าอะไรอินนัชเชยต์นีแหละกูมาดูมูบีนเชยตอนนั้นบันคือศัตรูที่ชัดเจนเป็นศัตรูที่ชัดแจ้งมันไม่มีทางเลยที่มันจะหวังดีกับกับเจ้าได้นะ คือคิดในมุมดีศัตรูอาจจะคิดดีกับเราก็ได้แต่จริงๆไม่ใช่เลยใช่ตอนนี้ไม่มีเลยนะคิดดีไม่มีมคิดชั่วทั้งนั้นแต่ที่มันแนะนําอาจจะดีแต่สุดท้ายบ้านปลายคือชั่วนั่นแหละอ่ามันแนะนําเหมือนจะดีแต่สุดท้ายก็คือให้ไปเจอกับความผิดความชั่วครนี้มีรายงานจากอุบัยบินกาบนี่แหละฮะดีสล่ะนะเล่าว่าอาดัมนั้นเป็นคนที่รูปร่างสูงเสมือนต้นอิดาผาลัมเลยสูงแบบฉลูดเลย แล้วก็มีผมดกมีผมดกด้วยนะอ่ามาดี่หัวล้านใช่ไหมเอ่อผมเต็มเลยผมดกแล้วเมื่อเขาทําผิดอวัยวะพึงสงวนก็เผยออกมาเนี่ยซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาไม่เคยเห็นมันมาก่อนบอกไปแล้วว่ามีแต่มองไม่เห็นพอไปไปกินผลไม้ปับ๊บไอ้ที่มีอยู่มันเปิดเผยเห็นเลยพอเห็นปั๊บก็อายเลย เขาจึงวิ่งหนีออกจากสวรรค์วิ่งหนีไปในสวรรค์ไม่ใช่วิ่งโอ้ยวิ่งหนีไปในสวรรค์นั่นแหละผมของเขาก็ไปเกี่ยวกับต้นไม้ต้นหนึ่งผมก็ไปเกี่ยวและเขาก็กล่าวแก่ต้นไม้ว่าปล่อยฉันไปเถิดต้นไม้ก็พูดแก่เขาว่าฉันจะไม่ปล่อยเจ้าไปหรอกและผู้อภิบาล ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงสูงสรก็ถัมว่าโอ้อาดัมเอ๋ยเจ้าจะหนีข้าดอกหรืออันนี้คือลักษณะคนทําผิดเมื่อทําผิดก็จะอะไรหนีสิจะอยู่ทําไมอ่ะกลัวความผิดการทําผิดและหนีเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วนะดังนั้นผูผ้ผู้โจรก็ต้องจับผู้ร้ายอไม่เป็นเรื่องปกติน้อยมากที่ทําผิดแล้วก็จะไม่หนีอะนะอันนั้นคือตั้งใจเลยถ้าตั้งใจเนี่ย อาจจะไม่หนีแต่ถ้าผิดพลาดบางทีไม่รู้จะทํายังไงห น, นีก่อนอืมคือมันมันตกใจด้วยอะไรด้วยไม่เคยทําผิดมาก่อนมือใหม่มือสมัครเล่นหนีก่อนก็หนีเอาล้อเรียกบอกว่าจะหนีไปไหนล่ะเออต้นไม้กับดักไว้ด้วยผมไปเกี่ยวตอนนั้นไม่มีเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าไม่มีมีผมนั่นแหละที่มันไปเกี่ยวต้นไม้เขาก็ได้กล่าวว่าโอ้พระพูยบานไอ้ที่ฉันหนีไม่ใชรอะไรเลยนะ ฉันอายมากเลยฉันละอายต่อสิ่งที่ฉันนั้นทำผิดไปไม่ใช่ว่าไม่ยอมรับในสิ่งที่ทำผิดนะแต่ละอายไม่กล้าสู้หน้าเอออันนี้ก็คือการการการยอมรับผิดอย่างหนึง่งนะเราก็จะรู้สึกจริงนะเราทำผิดไม่ต้องกับกับอลอตกับมนุษย์เราเนี่ยถ้าเราเคยทำอะไรไม่ดีเอาไว้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าไม่กล้าสู้หน้า มันติดอยู่ในใจเออเราเคยไปทำกับเขาไว้ไม่กล้ามองหน้าน่ะมันรู้สึกละอายและความจริงอิมุจารีดและเอนุมัรดาไว้ก็ได้รายงานมาหลายทางด้วยกันว่าฮะดิษเนี้ยเป็นฮะดิษที่รายงานมาจากอุบไบบินกาบนะจากท่านนาบีโดยเป็นฮะดิษมารฟัวเขาว่ามารฟัวหมายถึงว่าเป็นคําพูดนบีเลยไม่ใช่ซอบานะ้าน่ะเป็นคําพูดนบีพูดเลยเรื่องฮะดีษบท น, นี้มาชื่อโดยมันปอร์บรอนี บางรายงานก็บอกเป็นคำที่เมากูฟเป็นการอธิบายของซอบารายงานจนากอิมโนอับบาสเกี่ยวกับอาย่านี้หมายถึงสิ่งที่ปกปิดในสวรรค์ใบไม้นี่คือใบอะไรรู้ไหมใบของต้นมะเดือ่อฉันก็ไม่เคยเห็นเป็นเงานต้นมะเดือ่อจะเป็นใบของต้นมะเดือ่อซึ่งมะเดื่อก็เป็นผลไม้ที่อยู่ในในสวรรค์มุจฮิดบอกว่าเขาเริ่มคว้าใบไม้ จากสวนสวรรค์มาปิดแทนอาพอรซึ่งตอนนั้นยังไม่มีก็มาปิดทำเหมือนอาพอรเหมือนเสื้อผ้าวะอิมนูมูนับบได้กล่าวเกี่ยวกับคำพูดว่าอาพอรที่ปกปิดถูกหลุดออกไปจากทั้งสองเขากล่าวว่าก่อนหน้านั้นอาพอรที่ปกปิดสิ่งที่นาอายของอาดัมและฮาวะเป็นรัศมีนี่ไงที่ปกปิดสิ่งที่ละอายเอาไว้ในฉันบอก่ามีกล่าวไว้ สอบบาลได้อธิบายนะไม่เป็นสอบบาลอธิบายว่าเป็นรัศมีที่มาบังเอาไว้และเมื่อกินผลไม้ปับ๊บรัศมีนี้ก็หายไปก็เลยทําให้อายะที่พึงสงวนเนี่ยมันเปิดเผยออกมาม อ, อับดุลรอซัาากได้รายงานนํามาจากกตาดะเล่าว่าอาดัมกล่าวว่าโอ้พระผู้วิบัตของฉันขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันทราบทีว่าหากฉันจะกลับเนื้อกับตัวและขออภัยเล่า ละอายมากแล้วก็หาวิธีทํายังไงดีถามอัลลอฮ์เลยว่าฉันขอกลับเนื้อกับตัวขออภัยได้ไหมนะพระองค์ตรัสว่าข้าจะให้เจ้าอยู่ใ น, ใ น, ในสวรรค์สสริบาริดนั้นมันจะไม่ได้กลับมานี่อีกเลยงงไหมอัลลอฮ์จะให้นบีอาดามเนี่ยอยู่ในสวรรค์แต่อิบาริดเนี่ยคือออกไปแล้วออกไปเลยคําตรงนี้หมายถึงว่าเมื่อนบีอาดามมาอยู่ในโลกดุนยานี้เนี่ยแล้วก็จะกลับไปสู่ สวรรค์ีรอบหนึง่งแต่ต้องมาอยู่ในดุนยาก่อนแต่อิบลิสเนี่ยจบเลยอยู่ในนรกตลอดการไม่มาแล้วส่วนอิบลิสที่มันไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะอะไรเพราะมันไม่เคยขอที่จะกลับเนื้อกับตัวเลยแต่มันกลับขอประวิงเวลาตอลอดในการลงโทษถึงวันกิยามัตเท่านั้นส่วนอาดัมนั้นขออภัยโทษต่อ a l l และเอลล็อกก็ให้ตามที่ขอทั้งสองคนทั้งสงนั่นแหละทั้งนบีอาดัมทั้งอิบลิสด้วยเอลล็อกให้ทั้งคู่เลยนะแต่ขอต่างกันอ่แล้วมาดูสำนวนที่นบีอาดัมกับพนางฮาวะทาไมใช้คําว่ากอลากอล า, ก, อาก็หมายถึงทั้งคู่เลยทั้งนบีอาดัมแล้วก็พนางฮาวะกล่าวว่ารับบานาจอมนาอันฟุตซานาโอพระหัวใจของเรา เราได้อาธรรมแก่ต <necesario> <t iny and moon> well ัวเราเองคิดสำนึกผิดสำนึกผิดไอ้ที่ทาบาปนี้ไม่ใช่อื่นใดเลยก็คือตัวเราเนี่ยแหละที่เผลอไปแล้วที่พังไปแล้วที่พลาดไปแล้วและถ้าพระองค์ไม่ทรงให้อภัยอิลลัมเตอฟิรลนาถ้าพระองค์ไม่ให้อภัยวะตัรฮัมนาและนากูนันนาเมนันคอซีรินและถ้าอัลลอ์ไม่ให้อภัยโทษไม่เมตตาเราแล้วลราก็แน่นอนเราจะกลายเป็นผู้ที่ขาดทุน นี่คือคำดูอาของนบีอาดัมแล้วก็พนางขาวาที่ขอเมื่อทำผิดครั้งแรกน่นทำผิดครั้งแรกจาก๋าอาจารย์บอกว่านบีอาดัมูเท่ากับนสอืมหกสิบอกเานสมเห็นเทียที่เจออาจจะหกสิบซอกสิ มันน่าจะเป็นสมัยนู้นมึงต้นยิปผารลำสมัยนู้นหรือต้นส้นหรือต้นยิปผารลำในสวรรค์ไม่รู้เออในสวรรค์มึงจ้าจ้าหกสิบสองหกสิบสองนะจ้าอย่าเออดีแล้วแหดาวสูงแค่เนี้ยไม่งั้นเปืองตังนะสางบ้านที่โอ้โหเป็นตึกเลย คนสมัยก่อนก็เลือกให้ให้ตัวใหญ่เนาะมีกําลังทำไมต้องมีตัวใหญ่ด้วยล่ะเ พ, พ, พ, พออราะเพราะเพราะมื่อก่อนมันไม่มีเครื่องอํานวยความสะดวกไม่มีรถเคลเน่อี่ยใช้ใช้กําลังก็ต้องตัวใหญ่หน่อยแต่วนันนี้ตัวเล็กนิดเดียวไปไงคุมไม่เครื่องจากแป๊บเดียวปุ๊บปุบหมด อ, อืมนะอ่ะก็ทำดีแล้วนะตรงนี้ อ่านต่อยี่สี่พี่น้องเอาไปโดอาได้นะรับบรราโซลามนาเนี่ยอันเนี้อ่านโดอาอ่านได้ตลอดเลยนะเป็นดดอาที่นบีอาดัมขอก็อขึ้นกอ ร, รอก์อ๋อไม่ต้องตัดที่รบบรรณาเลยไม่ต้องขึ้นกอลานะเวลาโดอเนี่ยตัดกอลาออก แล้วก็คําว่ารบบนาเลยใส่รบบนาได้เลยนะครับเพราะอันนี้ไม่ใช่นบีอาดามขอแล้วไงเราขอเอาสำนวนที่นบีอาดามขอสุเบียซัมเนี่ยกล่าวตอนไหนตอนรบบนากอรลาเนี่ยเราเล่าให้ฟังว่าทั้งสองได้กล่าวว่าอ่านต่อนะ قال بتوضع لكم ل ب ع د أدوا و ل َ ك م في الأرض. قال بتوضع لكم ل ب ع د ي أدوا و ل َ ك م في الأرض. و ل ك م في الأرض مست ตะกรูวมตอุญิลานว่าคุอบมตะก فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ละเพราะองค์ตัดว่าเจ้าจงลงไปอ่าโดยที่บางส่วนของพวกเจ้าเป็นศัตรูกับอีกบางส่วนว่ละกุมฟิลอาร์ดิมุสตะกอรุรวาตาอุ u อิ l a h i นและในแผ่นดินที่เป็นพี่พำนักมุสตะกอรเป็นที่พำนักที่อาศัยอยู่นั้นอัลลอฮ์ได้เตรียมสิ่งอํานวยประโยชน์สําหรับเจ้า แต่ไม่ได้ตลอดนะอีลาฮีนแปลว่าอะไรช่วงระยะเวลาหนึ่ง<ต>ไปอยู่ช่วงเวลาเดียวนะยั้นใช่ไม่ได้ให้อยู่ตลอดให้อยู่แค่ช่วงเวลาหนึ่งแต่มีถามว่ามีเครื่องอำนวยความสะดวกไหมมีอ่ามีแผ่นดินมีแร่ธาตุมีพืชผลมีอะไรให้กินนะแต่มันไม่ได้อยู่แบบตลอดไปไปอยู่ที่ไหนนะไปอยู่ในเนี่ยดุนยาเราเนี่ยในโลกเนี่ยกอลฟีฮา พระองค์ตรัสว่าและในแผ่นดินฟีฮาที่นี้ก็คืออัลอารุรแผ่นดินนีะนะก็ลรฟีฮาและแผ่นดินนี่แหละพวกเจ้าเนี่ยตาเยาเนะีจะมีชีวิตฟีฮาในแผ่นดินนี้มีชีวิตอยู่ในนี้เตมูตูนะี่ะแล้วก็ตายในที่นี้ด้วยตายในแผ่นดินด้วยตายอยู่บนหน้าแผ่นดินนี่แหละวามินฮาตุคราจูล นะและก็และจากแผ่นดินนี้แหละเจ้าก็จะถูกทำให้ออกมาอีกคําว่าถูกออกมาอีกก็หมายถึงฟื้นคืนชีพขึ้นมานะนักวิชาการบอกว่าคําว่าอีบีตูที่แบบว่าจงลงไปเนี่ยถ้าที่เห็นตรงกันหมดเลยนะสิ่งที่ถูกขับให้ออกจากสวรรค์ไปหนึ่งก็นบีอาดัมนะ แล้วก็พนางขาวาและอิบลิสต่ต่างกันนะอานบีอาดัมเนี่ยใช้คําว่าลงไปไเฉยเฉยไม่ได้มีคําว่าจงจงขับออกไปไล่ออกไปไม่ใช่คือให้ลงไปไปใช้ชีวิตแต่อลัลลอฮ์บอกไว้แล้วว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวกลับมาอยู่ ท, ที่เดิมนั่นแหละส่วนอิบลิสเนี่ยอลัลลอฮ์แบบอภิหีออกไปเลยด้วยความโกรธกิ้วไล่เลยนะโอกแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือพนางขาวา อ่าพระนางขาวะนักวิชาการบ า, บางคนก็บอกว่ามีงูอยู่นั้นด้วยหรือว่าลอหว้าลำไอ้งูนี่ก็ตั ว, ต, วตัวที่ไปกซิบอ่ะที่ผ่านมาเป็นเป็นสื่ อ, อะนะนั้นอะฮะดิสพูดเอาไว้ว่างูดำที่ตัวมันใหญ่ๆแล้วดูแล้วมันแปลกๆเนี่ยบางทีมันเป็นอะไรเป็นชัยตอนงูนะวิธีการทำไงพูดกับมันก่อนทางใครทางมันนะ ให้เวลามันในรายงานบอกใช้เวลาสามวันให้มันไปถ้าไม่ไปก็ค่อยจัดการมันฆ่ามันอ่าเพราะในสมัยสอบาเจอมาแล้วงูเข้ามาอยู่ในบ้า น, ไ, นไม่ต้องเห็นสามวันเราเข้ากไปเ ย, ยื่อ <c oughs> มันต้องไปงูใหญ่ไงงูใหญ่หรืองูสีดำตัวใหญ่ใญ <c oughs> ไอ้งูทุกวันนี้งูเหลือมงูล้ลมก็อีกเรื่องหนึง่งวม่าไใหญ่แค่นฉันก็ไม่รู้แต่ใหญ่ <c oughs> งั้นเลยถ้าบุกคนโบราณกงงง็งูเจ้าที่อะไรเงี้ยนะไงงูยินงูมันจินมันจะยินทหารทหารญี่ปุ่นเขาเคยเจออยู่ในปา่าอยู่ในถ้าพวกเนี้ยนะเป็นยินเป็นยินนะแต่ถ้ามันตายก็ตายสภาพนั้นเลยก็ตายเป็นเลยสภาพงูเนี้ะตายได้ยินตายได้นะครับไม่ใช่ไมต่ตายได้ตายได้ต่อมา ในสุรัตต์ฮาบอกว่าเอ๊บีตูมินฮาจะมีอาแปลว่าทั้งสะทั้งหมดออกไปจากสวรรค์ทั้งหมดเลยซึ่งฮาวาตามตามอาดัมฮาวานั้นก็ตามอาดัมมาส่วนงูนั้นถ้ามีจริงก็ตามอิบลิสถ้ามีจริงนะว่าลออวะลำแต่สามอย่างนะมีแน่นอนมีอาดัมฮาวะแล้วก็อิบลิส ความจริงแล้วนักอธิบายได้บอกว่าไอสถานที่ที่กล่าวกันมานั้นเนี่ยว่านาบีฮาวาอยู่อ่าไม่ใช่นบีนบีอาดัมอยู่อีกที่หนึ่งมีอยู่ที่อินเดียด้วยแล้วก็มาอยู่อีกที่นึงแล้วก็มาเจอกันที่อาร์ฟองอาร์ฟ้าเนี่ยเป็นอิสรออีลียารตแปลว่าอะไรเป็นเรื่องเล่าที่กล่าวไว้ในในคัมภีร์ก่อนๆซึ่งไม่ได้ปฏิเสธร้อยเปอร์เซนว่าโกหกแลวก็ไม่ใช่เชื่อว่าเป็นจริง อยู่กลางๆว่ารอฮัวลัม ah ฟังได้อิสราเอลยัตแต่ฟังได้ถ้าไม่ขัดกับกุฎาลขัดไหมเนี่ยไม่ได้ขัดแต่แค่มาเสริมข้อมูลบางให้ดีนะอิสราเอลยัตเล่าได้แต่อยู่กลางๆไม่เหมือนกุฎานกุฎานต้องเชื่อเลยถ้าเรื่องโกหกก็ปฏิเสธเลยแต่นี่ก็คือกลางๆอาจจะเป็นไปได้วอลลอฮัวลัมแต่นัสตับซีตบอกว่าถ้ามันเป็นประโยชน์กับมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ต้องบอกแล้วในกุฎาน ว่าที่ตรงนี้ตรงนี้แสดงว่าไม่ได้เป็นสาระสําคัญว่าจะไปลงตรงไหนเออต้องไปลงประเทศนั้นประเทศนี้เดี๋ยวคนนี้ลงประเทศไหนเดี๋ยวก็ไปตามหากันอีกนะมันไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์อะไรที่เราจะไปต้องไปค้นหาว่าเบีอาดามลงตรงไหนพนันพนงคาวาลงไหนฟังไว้ฟังหูไว้หูรับรู้ไว้รับรู้ไว้นะต่อมา คำว่าในแผ่นดินนั้นมีที่มีที่พมนักและอำนวยประโยชน์เวลาหนึ่งก็หมายถึงว่ามันมีอายุไขไงดุนยาเนี้ถถูงว่า ถ, ถึงวันที่มันจุดของมันมันก็จะต้องดับดับดับดับศูนไปดับสลายไปไม่ได้อยู่ตลอดเหมือนตัวเรานี่แหละอ่าเหมือนตัวเรา <c oughs> แต่ว่าแต่จริงอายุของดุนยามันก็ต้องเยอะกว่าเร <c oughs> <c oughs> าเน่ยตายก่อนใช <c oughs> ่ไหมแต่ดุนยาที่ว่าอยู่นานๆก็สุดท้ายก็ต้อง ศูน ส, สลายไปถึงวันกิยามัตดุญยาก็หายไปในโลกนี้ต่อมาคำว่ามินฮาคอละกะนากุมโอ้นี่ดีนะสุลต่าราเนี่ยเคยได้ยินไหมเขาจะไ้อ่านปากหลุมเยอะเนี่ยตรงนี้มินฮาคอละกะนากุมว่าฟีฮาหนุอีโดกุมว่ามินฮ า, า, า, านุครีอยูกุ้มตารรตันอุครอยิ้มกุราน เราบอกว่าจาแผ่นดินเราได้บังเกิดพวกเจ้าและเราและในแผ่นดินนั้นเราได้ให้พวกเจ้ากลับคืนไปและเราได้ให้พวกเจ้ากลับคืนไปและจากแผ่นดินนั้นเราได้ให้พวกเจ้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งฝังอะเกิดมาจากดินบังเกิดมาจากดินแล้วก็ไปอยู่ในดินไปอยู่ในไปอยู่แบบอาศัยอยู่ในดินและก็กลับไปอยู่ในดินถูกฝังและก็ฟื้นขึ้นมาจากดินอ่านะ อ่าเขก็จะมา<ๆ><ๆ>จะเป็นอายกุูดานไม่มีอะไรนะเป็นความหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของการอาศัยอยู่ในดุนยาอ่าอันนี้ก็อธิบายไวแล้วจบจบแล้วนะอยู่มีชีวิตอยู่บนหน้าแผ่นดินตายก็ถูกฝังในดินแล้วก็ฟื้นคืนชีพมาจากในวันกิยามัตออกมาจากนยะฟื้นออกมานะอ่าอ่านต่อนะอายกที่ยี่สิบหก ย ا บ ن ي ีอา قد มาค ل ن ดอาล عليكم لباس ا ย ا บ ن ي ีอ م قد มาค ل ن ا ลล عليكم لباس ลีบาสัยยวารีซออาติคุมวารีชาลีบาสัยยวารีซออาติคุมวารีชา وال ีบาสุดตะควาดะลิกาขยิร์ وال ีบาสุดตะควา ذلك َِ من ِ آيات َ الله لعلهم يذكرون ทั้ ل ّี้เป็َเพราะพระเ ي َาทร ك َّ ر ُ و กเขَจ بَنِي ้ชาวบ้านในอาดามาลาย ตีนักมนยามะลาเยตีนักมุขชัยท่กม อัคราจะเอาไปคุ้มในอันนตซอหมาอ ยันِ ع ُอ أن หัวมัลิบาสะหัวมัลิยูริยาหัวมัลสَอัติหิมะ ว่ากบิลุห์มิ่น حيث لا ت َ ر ْ ن ه م إن ه ُ يراكم هو وقب ิ ل ُ ه ُ م ิ่น حيث لا ت ر ْ ن ه, ه م <هو S 2> إ ินน่า علنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون หลังจากอายี่ตั้งแต่อายะที่ี่สิบหกเนี่ยเอาเราใช้คำว่ายาบานีคำว่าบานีก็หมายถึงลูกหลานของอาดัมก็ทั้งหมดแหละหมดเล ย, เลยนะใครที่เป็นมนุษย์เนี่ยอยู่ในอายานี้ยาบานีโอ้ลูกหลานอาดัมก็ดออันเันนาไลกุมลีบาซันโอ้ลูกหลาน อ, ดอานอดัมเอ๋ย แท้จริงเราได้ให้ลงมาแก่พวกแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งเครื่องนุ่งห่มที่ปกปิดสิ่งอันน่าละอายแก่พวกเจ้าลีบาซันอ่ายูวารีเซออาติกุมอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าละอายก็ปกปิดนะซึ่งซึ่งถามว่าเราจะมาบอกว่าอันเนี้ย เราไม่อายเราเปิดได้ไม่ใช่ตามที่อัลลอฮ์บอกว่าให้ปิดแค่ไหนก็ต้องปิดตามนั้นแหละแต่แั้นคําว่าแต่งตัวโปเนี่ยถ้าเป็นคนที่เขาเป็นนอนมุสลิมเนี่ยเขาบอกคนใส่กระโปรงกระโปรงยาวใส่เสื้อแขนยาวไม่คุมหัวเขาบอกว่าไม่โปหรอกเขาเรียกเขาบอกแต่งตัวเรียบร้อยแต่สําหรับอิสลามเราเนี่ยจะใส่กระโปรงยาวใส่แขนขา ย, ยาวแต่ถ้าเห็นหัวดำํดำๆหัวแดงหัวส้มแล้วแต่ทําหัวแล้วบ้าง ก็ถือว่าโปเพราะกำลังเปิดเผยเอาล้อคะแนนคุมหัวแล้วผมออกมานี่ยยังไม่ได้เลยละหมาดซอมไหมแต่ละมาดผมออกมาก็ไม่ได้ก็ต้องเก็บผมทั้งหมด น, นั้นในในมาตรฐานของคนที่เป็นผู้ศรัทธานเนี่ยจะต้องยึดตามที่เอาล้อบอกน่ะอันนี้เตือนก่อนนะบางคนก็บอกวันนี้ลูกฉันแต่งตัวเรียบร้อยบอกเรียบร้อยอยงไง อ๋อแต่ไม่คุมหัวหรอกแต่เรียบร้อยฉันก็งงไม่ไม่ถ้าคุมหัวแล้วไม่ไ ม, ไม่มีไม่เรียบร้อยถ้าโปงเขาต้องกระโปรงสั้นอย่างนี้ถึงจะบอกโปใช่ไหมขอมุสลิมเราแค่ไม่คุมหัวนี่ก็ถือว่าไม่เรียบร้อยแล้วเอาต่อมาวารีชาริชานี่คืออะไรแล้วก็ให้ความสวยงามด้วยเออนิดนิดหนึ่งนะพี่น้องว่าระหว่างปกปิดเอารอ สวยงามกับปิดสิ่งที่พึงสวงวนเนี่ยเป้าหมายแรกที่เอาลอใช้ไม่ใช่สวยงามถ้าเอาสวยนําก่อนปั๊บนันเสร็จเลยถูกไหมถ้าแตง่งเถ้าบอกว่าที่แต่งเนี่ยคุณพิายามเนี่ยแล้วสวยฉันว่าเข้าใจคําว่าฮิยาผินละวิยาบเนี่ยไม่ได้เอาสวยแต่เอาเปลือกปิดแต่ต้องเล่นสีแน่นสีทึบดีผู้หญิงนะสีทึบสีทึบทึบ สีที่ไม่ไม่จุดไม่ไ ม, ไม่ไม่ชูชาดเออไม่ใจะจูดจาดคนนจูจัดชูชาดใ ช, ด ช, ชด่ใช่ไอจูดจาดไปยังไงวอรีชันแล้วก็สวยงามสวยงามตรงนี้ก็หมายถึงว่ามองแล้วมันสบายใจสบายตาสวยงามไหมละ่ะดูแล้วมันดูเรียบร้อยอ่ะสวยงามนะต้องไม่โป้แล้วก็แล้วก็สวยงามวอรีบาสุตตะกวาราลิกาคอยซึ่งเครื่องนุ่งห่มแห่งความยำเกง่งนั่นก็คือดียิ่ง อ่าใส่แล้วอีหมานขึ้นใส่แล้วตักวาอ่าคนที่ต้องตักต้องตักวาถึงจะใส่ได้คาว่าใส่ได้ตรงนี้หมายถึงว่าใส่เป็นประจำนะบางคนถามว่าอากาศตั้งห้าเกือบจะห้าสิบทำไมคุมหัวปิดหน้าปิดตาได้ก็เนี่ยตักวาไงถ้ามไม่มีตักวาก็ไปแล้วถามว่าไม่ร้อนเหร อ, อมือคืออันนี้ต้องชื่นชมคนที่ใสนีกอบอ่ะชื่นชมอะแต่ก็ไม่ได้ตาหนิคนไม่ใสนะ อ่าไม่ได้ตำหนิแต่ว่าชื่นชมนะครับซึ่งผมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่มีปัญหาคนไม่คุมหัวเนี่ยมีปัญหาแต่ถ้าคุมหัวก็ถือว่าเรียบร้อยละนะถ้าใส่นิกรด้วยก็อัทำเลิละก็เพิ่มเข้าไปทำให้ดีขึ้นนะ <c oughs> อ่าซึ่งแน่นอนแหละชุดมันหนาครับมันใส่บางไม่ได้จริงๆเนี่ยถ้าใส่บางเมื่อไดปับ๊บก็ไม่ใช่ที่ยาบ แปลยังไงวะถ้าเดินออกไปแล้วเห็นสวดทรงหมดเลยบางหินเนี่ยก็ ไ, ไม่ใช่ดังั้นก็ต้องใส่หนาสรงฉนันเนี่ยเวลาจะใส่อยู่บ้านก็เป็นสรงบางถ้าจะออกมาซื้อของที่ตลาดนัดภรรยาสั่งให้เปลี่ยนสรงเลยเพราะสรงนี่บางเดินทุบห็นเลยก็ต้องไปหาสรงหนาใสไอเรายังชอบเลยเชื่อใจใส่อะไรที่มันมันสะดวกมันมันมันลมมันย็นอะไรเงี้ยนะอืมลมมันเย็น ดังนั้นคําว่าตักวานเนเล่มันก็จะมาทําให้มุสลิม่าเนี่ยแต่งกายแบบเรียบร้อยดังนั้นคํานึงที่บอกว่าอุ้ยฉันต่อให้ฉันแต่งกายยังไงก็แล้วแต่ฉันละหมาดครบอันนี้คนละเรื่องเออคนละเรื่องกันเหมือนก็เอามาเรื่องเดียวกันอ๋อฉันไม่คุมหิบยาบแต่ฉันก็ละหมาดครบอันนี้ดีครับละหมาดครบไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็ผิดเรื่องคุมหิบยาบไงเอ่อเราไม่ได้บอกเนี่พอละหมาดอ๋อถ้าละหมาดครบแล้วเปิดหัวได้เหรอคนละเรื่องกันแน่ เราจะเจอคำเนี้ยเวลาเตือนคนที่ไม่คุมียาบแต่ชั้นละหมาดครบฉันก็บบ อ, อืมคนละเรื่องจะไม่ไดเตือนเรื่องละหมาดซะหน่อยแรลิกอมินอายาติเลฮิลันเลหุมยัตสการูนนั่นแหละคือส่วนหนึ่งจะบรรดาอายะเครื่องหมายของอัลลอฮ์เพื่อว่าพระเจ้านั้นจะได้ล้ำลึกคําถามว่าไอ้เครื่องนุ่งห่มเนี้ยเราได้มาจากไหนก็ได้มาจากพืชส่วนใหญ่ตอนนี้นะเมื่อก่อนเลยไอตอนนี้อาจจะเป็นสังคงสังเคราะห์เคมีว่าไปแต่เมื่อก่อนก็คือมาจากพืชนั่นแหละเหมือนกับที่นบีอาดัมเอา ใบไม้มาปิดนั่นแหละแต่ทุกวันนี้เขาเปลี่ยนจากใบไม้เป็นเส้นได้ซึ่งได้ก็มาจากพืชแล้วก็มาทอนอะซึ่งผ้าไหมก็ผู้หญิงชอบอยู่แล้วแพงด้วยผู้ชายห้ามประการแรกคือเรื่องของอะไรครับเรื่องของการปกปิดความละอายเป็นเรื่องที่จำเป็นส่วนความสวยงามนั้นเป็นเรื่องที่ส่งเสริมวาจิบคือปกปิดสิ่งละอายส่งเสริมคือสวยงาม ระห ว, ว่างระห ว, ว่างไม่ใส่กับใส่เนี่ยใส่สวยงามกว่าจริงไหมจริ ง, รงไม่ใส่เลยเลยเนะี่ยไม่สวยหรอกอ่าบางทีไม่อย่างมองด้วยต้องใส่นะใส่ให้สวยงามด้วยอันนี้หมายถึงกับสามีเอาต่อมารวมถึงเครื่องใช้ในบ้านด้วยก็ให้มันอยู่ในระบบที่สวยงามแปลว่าอะไรจัดให้เป็นระเบียบไม่ใช่มั่วไปหมด ต่อมาอุดรมาบินเสดบอกว่าลิบาสุตตะวาคือเครื่องนุ่งห่มที่สวมใส่เพื่อให้เกิดความยำเกรงต่อล้อปกปิดเอารถที่ศาสนากำหนดถือว่าเป็นลีบาสุตตะวาต่อมายาบานีอาดัมโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยอันนี้เอลลารถพูดถึงลูกหลานอาดัมเลยย้ำเลยนะสองเรื่องแล้วนะเรื่องแรกคือเรื่องเครื่องนุ่งหม่มเครื่องที่สองโ อ, โ, อโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ย ลายตินั น, นกุมชยะยชัยตอนของตัวจริงชัยตอน <c oughs> จงอย่าให้ชัยตอนมาหลอกลวงพวกเจ้าได้นี่คำสั่งของลออย่าให้ชัยตอนมาหลอกพวกเจ้าได้ชัยตอนกลัวใครถามถามกลัวใคร <c oughs> ไม่ไม่ไม่ใช่กลัวกลเรารูแล้ว <laughs> หมายถึงมนุษย์เนี่ย มันเป็นศัตรูหมดมันจ้องเป็นศัตรูหมดแต่มันที่มันกลัวมากมที่สุดเนี่ยมันกลัวคนเรียนมันไม่ได้กลไม่ได้กลัวคนอิบานดานะคนอิบานดาเนี่ยทำไม่เท่าไรหรอกมันหลอกง่ายมันก็มีนะบางคนขยันทําอิบานดาแต่ไม่ตรงกับนบีเลยเนี่ยขยันทํำแล้วเกินแต่ไม่ตรงกับนบีเลยเนี่ยมันหลอกไปแล้วอ่าขยันทําแต่ไม่ไม่ตรงตามที่นาบีบอกมีอิบานดาเก่งแต่ไม่ตรง แต่ที่มันกลัวคือกลัวผู้รู้มันกลัวอาเลมเพราะอาเลมนี่หลอกยากและอย่างนึงเขาจะเตือนคนด้วยเขาจะพาคนนั้น น, บ, นบีบอกว่าชัยตอนนี้นะเจออาเลมคนนึงเนี่ยคืออะไรผมจำสำนวนไม่ได้กรรมกร น, นะคือระหว่างมีอาบิดกับอาเิมนะอาเลมคนหนึ่งเนี่ยเปรียบเทียบอ่ะคือชัช ย, ชยตอนชัยตอนมันมันกลัวเลยอ่ะไปอ่า เป็นศัตรูของชชยตอนเลยหนึ่งคนนี่ โ, โอ้โ ห, โหเพราะเขาจะพาให้คนนี่ยอยู่ในขนทางนะเอาต่อมาเขาไม่ได้ห่วงคนทำมีบาดาหรอกถ้าทำมีบาดาไม่รู้เนี่ ย, ยตับเต็ดมันเลยเสร็จมันเลยมันหลอกให้ทำนูน่นทำนี่เล ย, ยต่อมากามาอัครราจอบบาบวัยกุ้มนี่ไงเช่นเดียวที่มันเคยหลอกพ่อแม่ของพูตเจ้ามาแล้วก็คือหลอกนะบีอาดามหลอก พนางขาวมาแล้วเนี่ยล้อบอกออกมาจากไหนให้ออกจากสวรรค์มายันซิโออันฮูมาลีบาซาฮูมาลิยูรียฮูมาเาออาตีฮีมามันหลอกพ่อแม่ของบจ้าก็คือทบีอาดัมกับพนาง่าออกมาจากสวงสวรรค์มาแล้วโดยที่มันได้ถอดเครื่องนุ่งห่มของเขาออกทั้งสองอ่าเพื่อที่จะให้เขาทั้งสองเห็นสิ่งที่น่าละอายจากของเขาทั้งสอง อินนาหูยารอกุ้มหัวว่ากอบีลูหูมินให้สุเลยาเราหนาหุมแท้จริงเผ่าพันธุ์ของมันนั้นมองเห็นพวกเจ้าโดยที่พวกเจ้ามองไม่เห็นพวกมันใช้คําว่ากอบีนอ่ากอบีนนหมายถึงเผ่าเผ่าเผ่าหมายถึงอะไรก็หมายถึงกลุ่มของมันเน่ยเผ่าพงของมันเนี่ยเป็นเผ่าพงที่มองเห็นมนุษย์แต่มนุษย์มองไม่เห็นมองไม่เห็นมัน ศัตรูที่มองไม่เห็นเนี่ย<ม>ก็คือชัยตอนนี่แหละ ม, <laughs> มันได้มันมองไม่เห็นมันบางทีเนี่ยอยู่กับมันเต็มบ้านแล้วยังไม่รู้ตัวหรอกเพราะมองไม่เห็นใช่ไหมซึ่งนบีบอกว่าวิธีการไล่ชัยตอนทําไงอ่านสุรบะกรรแล้วก็เวลาจะเข้าบ้านกาล่าวบิสมิลลาเอะ <laughs> กินข้าวก่าวบิสมิลลาอินนาจ า, าอัชอัชชัยยาตีน่ะอูลียาอัลลิลดีนารายู่มินนุนซึ่งอัลลอฮ์บอกเลยนะว่า โดยที่บรรดาเชตตอนนั้นจะเป็นเพื่อนกับบรรดาผู้ที่ไม่ศรัท ธ, ธาเชตตอนจะอยู่กับคนที่เป็นเป็นผู้ที่ไม่ศรัท ธ, ธาส่วนผู้ที่ศรัท ธ, ธาจะมีมาลิก้ามาอยู่ตัวเราเนี่ยมีทั้งเชตตอนและมีทั้งมาลิก้ามาอยู่กับเราคราใดาที่เรารู้สึกว่าพอจะทําผิดแล้วมันมีชั ง, งักนั่นคือการดนใจจากอัลลอฮ์แล้วก็มาลิก้าก็คอยที่จะคอยเตือนเราด้วย แต่คาใดที่รู้สึกว่าแม่มันมันมันขี้เกียจนะมันไม่อยากทําอามันอิบดะดานั่นก็รู้ น, นะชัตอนมันก็เริ่มขวางแล้วไม่ให้เราทำสู้กันอยู่างงี้แหละอ่าแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่ตัดสินใจก็คือตัวเรานี่ยแหละอ่าจะ ต, ตามใครอีกนิดนึงจะทําอีกนิดนึงไว้ก่อ น, นเสร็จเลยเนี่ยแล้วก็อันนี้บอกนะว่า อธิบายต่อนะโดยที่พระองค์ได้ทรงอธิบายให้เขาทราบถึงการเป็นศัตรูของออกับอาดัมมนุษย์คนแรกเนี่ยโดยการที่มันพยายามทําให้อาดัมออกจากสวรรค์ซึ่งเป็นที่พำนักอันบรมสุขสู่ความลําบากในโลกนี้ถามว่ า, า, วาระหว่างอยู่ในสวรรค์กับอยู่ในโลกนี่ไหนลําบากกว่าในโลกนี่เนื่ยลำบากกว่าเนื่อยลำบากกว่าแต่ก็ไม่ถึงขั้นลําบากจนกระทั่งไม่มีอะไรจะกินนะมันเอาล็อกให้เครื่องอำนวยความสะดวกแต่ไม่เหมือนสวรรค์ สว่วนไม่ต้องทาอะไรเลยเอลเล่าให้นะตัดปับ๊บขึ้นปั๊บเลยไม่ต้องรอสุ่และมันเป็นเหตุให้อดัมเนี่ยต้องเปลืองเครื่องปกปิดอวัยวะอันน่าละอายและมันและที่มันทํานั้นไม่ใช่อะไรอื่นเลยมันต้องการจะเป็นศัตรูกับนนะบีอาดัมและลูกหลานในเวลาต่อมาอ่า <c oughs> และสุดท้ายนี้เนี่ย <c oughs> แต่ข้อหนึ่งข้อดีข้อหนึ่งก็คือเมื่อนบีอาดามทําผิดนบีขออภัยโทษเราไม่ได้แปลว่าเราทําผิดไม่ได้เราทําผิดได้ครับเพราะมนุษย์เรามีผิดพลาดเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วแต่ผิดแล้วต้องรีบแก้ไขปรับปรุงและก็ขออภัยโทษ ต, ต่อเนาะนี่แหละคือมนุษย์ แต่ถ้าเราเมื่อไหร่เราเป็นเชยตอนเราก็จะผิดซ้ำซากและไม่คิดที่จะปรับตัวแก้ไขนี่คือลักษณะเชยตอนนะแล้วก็สุดท้าย <c oughs> เป้าหมายสูงสุดก็คือเราจะกลับไปอยู่ในที่ที่บรมสุขหลังจากที่อัลลอฮ์ให้เรามาอยู่ในที่ที่ลำบากมากกว่าและคือดุลยาแต่อัลลอฮ์ให้เราทําอิบาดรัดในโลกนี้ <c oughs> เพื่อที่เราจะไทยตัวเองเนี่ยให้กลับไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ในในโลกหน้า <c oughs> ซึ่งเป็นโลกที่บรมสุขนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสุบาานะกอคุณมาบหคำดกาลาอิลาฮอิลลาตสตัฟูกว่าตับุยใดอัสสลามุอะลัยกุมรฮมะตุลลอฮบรกาตุ